ฉันขอโทษที่ไม่เที่ยวหัวใจรังมันไว้ไม่ทันฟังว่า แถวก็ตัดไม่คู่กันเหมือนเธอกับฉัน ท, ที่ควรจะห่างกันไว้บางอาจไปร้ายคนอย่างเธอก็เหมาะสมแล้วที่ปวใจฉันมันคนตอยตามเกินไป เจอไกลไม่สนพร้อมสู้ทนเพื่อเธอลืมไปว่าเราไม่เหมือนกันฉันไม่คูรอพร้อมเพรื่อลงละเมออย่างนี้ฟ้าก็ยู่สูงเกินไปเหียวก็ตามไม่ ควรจะห่าง ก, กันไวบังอาจไปรักคนอย่างเธอก็อมาส่งแล้วที่ปวดใจฉันมันคนต ไปหลาคนอย่างเธอคนเหมาะสมแล้วที่ปวใจฉันมันคนตอยตามกันไปจึงไม่มีสิจะฟันบัางงานไปรักยดอยไม่ดูไม่ยอมรับรู้ต่างกันฉันก็ควรจะ แค่หัวใจมันไม่พอใช่ไหม